บารมีธรรมชักนำศรัทธานักปฏิบัติโดยทั่วๆไปที่ประกาศโฆษณากันอยู่เปล่าๆได้แต่ประกาศโฆษณาแต่การปฏิบัติมันไม่ถึงขั้นอย่างปัจจุบันมาเทียบกับของเรานี่เวลาคนต่างถิ่นเข้ามาที่วัดเรานี่เขาจะถามว่ามีงานอะไรเพราะว่ารถยนต์จอดอยู่เป็นแถวผู้คนก็ไม่ขาด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างเอาไว้แล้วหลวงพ่อยังได้เคยพูดอยู่เสมอว่าวัดของเรานี่มันเป็นคล้ายคลกับว่าโรงงานโรงงานที่ไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุ ด, ดิบแต่มีลูกค้าเอามาป้อนให้เรื่อยเสียยังเดียวว่าบุคลากรของเราที่จะรองรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นโดยทั่วทวไปชาวบ้านทั้งหลายที่เขาเร่ร่อนไปมา อย่างไปหาหลวงปู่มหาบัวไปหาใครต่อใครที่มีชื่อเสียงในทางปฏิบัินี่พวกนี้ไม่ตื่นพระหมอวิชาอาคมแต่ชอบไปสแสวงหาความดีจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าหากว่าพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำในภายในมีความเข้มแข็งเราไม่ต้องไปประกาศโฆษณาหาคนเข้าวัดมันจะหลั่งไหลามาเอง ตอนหลวงพ่อมาอยู่วัดนี้ทีแรกนี่คุณพ่อนายวันคามนามูลนี่มาบอกว่าการกอร่อสร้างพระคุณเจ้าไม่ต้องกระตือรือร้นคอ้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการกอร่อสร้างญาติโยมเขาย่อมดูอยู่พอหลังจากนั้นหลวงพ่อก็สบายใจใครจะสร้างก็สร้างไม่สร้างก็ตามใจพอเสร็จแล้วมันก็เป็นเองก็เป็นอย่างที่ผู้เท่าท่านว่า อันนี้เราสร้างความดีไม่ถึงที่สร้างความดีไม่สมบูรณ์แบบแต่กลายไปเป็นคนชิงสุกก่อนหามไปมุ่งหาแต่สมบัติหาแต่วัตถุแต่คุณธรรมไม่สนใจพอเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเครื่องดึงดูดคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจของท่านผู้ใดไม่เฉพาะแต่นักบวชแม้แต่ข้ารือหัดมันก็สามารถดึงดูดศรัทธาประชาชนได้